ขอคารวะของเจ้าขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านธรรมชาติมีความสำคัญมากมายเพียงใดกับมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพอจะทราบกันอยู่บ้างแล้วแต่ว่า ไม่มียุคใดสมัยใดที่เราจะต้องมาพูดย้ำถึงคุณค่าของธรรมชาติมาเท่ากับยุดนี้เพราะเห็นว่าผู้คนในยุคนี้เนี่ยเริ่มเหมือนห่างมารเมินกับธรรมชาติมากขึ้ น, นเรื่อยๆจนรู้สึกแปลกแยกกับธรรมชาติ แล้วเกิดความสำคัญตนว่าสามารถจะเอาชนะธรรมชาติได้ชีวิตที่แปลกแยกกับธรรมชาติก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ตระหนักว่าธรรมชาติเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะกับพวกเราทุกคน พูดได้ว่าเถ้าไม่มีธรรมชาตินะก็ไม่มีมนุษยชาติอันนี้พูดในแง่ของวิวัฒนาการแนะห่งการเกิดของมนุษย์นะว่ามันต้องอาศัยธรรมชาติมากทีเดียวจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามีเคยมีแล้วก็จะมีต่อไปในวันข้างหน้านแยกไม่ออก จากธรรมชาติถึงแม้ว่ารอบตัวเราจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีนะที่ดูเหมือนไม่มีข้าของธรรมชาติเกี่ยวข้องอยู่เลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิที่ดูเหมือนว่าตัดขาดธรรมชาติมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างที่เรามีมันล้วนแล้วแต่มีที่มาจากธรรมชาติไม่ทำตัวมาปรปปรทาข้อไม่ใช่แค่อาหาร ไม่ใช่แค่ยารักษาโรคแต่รวมถึงอุปกรณ์ทั้งหลายที่เรามีที่เรารู้จักโทรศัพท์มือถือก็ดีถนนที่เราใช้เชินอทางก็ดีทั้ง น, นี้เนี่ยมันโดนกระแสเชื่อมโงัธรรมชาติเพราะว่าวัตถุดิบทั้งหลายนะที่เราใช้กันอยู่รประกอบกับเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เนี่ย มันไม่เคยมาจากนอกโลกเลยนะมันมาจากธรรมชาติที่เรามีมว่าจะเป็นแร่มว่าจะเป็นน้ามันหรือแม้แต่เงนินที่เราใช้ซื้อวัตถุ ด, ดิบนะเพื่อมาสร้างถนนมานะสร้างตึกมันก็มาจากการที่เราเอาวัตถุ ด, ดิบในธรรมชาติ เช่นทาเป็นสมัยก่อนแล้วก็ตัดไม้ส่งออกเราส่งออกข้าวส่งออกบุูส่งออกยังพาราเพื่อได้มีเงินมาซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศหรือเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเราอยู่ชีวิตที่สุดวกส บ, บายในการที่เรา มีเชืที่ว่าจาธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ เ, เนี่ยทำให้เราบองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเวลาพูดถึงธรรมชาติถ้าพูดถึงสั ญ, ญลักษณ์ของธรรมชาติเนี่ยเราก็จะถึงสีเขียวสีเขียวนี่หมายถึงอะไรคนระับหมายถึงต้นไม้หมายถึงป่าป่าหรือต้นไม้เนี่ยเป็นตัวแทนที่โดดเด่นที่สุดของธรรมชาติ ที่ธรรมชาติมีหลายสีนะทะเลก็สีครามภูเขาก็สีน้ำสีเทาหรือว่อาสีสีน้ำสีน้ำตาลชายฝั่งก็สีขาวแต่ธรรมชาติเนี่ยนะนานาช น, นิดเนี่ยโดยละแต่ถูกยึโยมด้วยสิ่งหนึ่งนะก็คือต้นไม้หรป่ามีป่าก็ทามีแม่น้ำช่วยเติมเต็มทะเล มีป่าก็มีโพช่าให้กับหน้าดินทำให้ดินนะอุดมสมบูรณ์ป่ายัช่วยรักษาภูเขานะไม่ให้ถล่มทลายจากการตัดซอบป่าเป็นตัวแทนธรรมชาติที่โดยแตนประกาศด้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราที่สุดมันเปต้นไม้แล้วเมื่อพ้นถึงต้นไม้เนี่ยเราก็นะถึงชี อาหารก็มาจากพือสีเฉียวเป็นเพราะป่าและธรรมชาติที่เราสมบูรณ์เราจึง อ, อยู่รอดได้เพราะทำให้เรามีน้ำแล้วทำให้เรามีอาหารแต่ไม่ใช่แค่นั้นอากาศที่เราหายใจเข้าและออกก็มาจาก ธรรมชาติและอยู่ตานอยู่ต้นไม้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญคุณค่าของป่าคุณค่าของต้นไม้เป็นสิ่งที่เรายังรู้กันน้อยคนสมัยก่อนเขาไม่ทํางคำถามในเรื่องนี้เพราะว่าเขาเห็นประจับแจ่ใจว่าป่าธรรมชาติ มีความสำคัญต่อชีวิตและความอยู่รอดเป็ยังไงแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็เพิ่งรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆว่าป่าต้นไม้ธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้ปัจจัยสี่จาเราไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เราอยู่รอดได้ด้วยน้ำและอากาศเท่านั้นแต่ที่เรามีสุขภาพู่ได้เนี่ยก็เพราะธรรมชาติ ไมต้องพูดถึงว่าถ้าอากาศเสียน้ำเป็เนคิศเราือจะอยู่อย่างไรคุณระการของป่ามีมากกว่าที่เราคิดที่เรารู้เยอะซึ่งทุกวันนี้เราก็เพิ่งค่อยๆมีความรู้มากขึ้นเช่นเ็าพบว่าเนี่ยคนที่ผ่าตัดที่เพิ่งผ่าตัดใหญ่จะฟื้นตัวได้เร็วเพียงแค่ได้เห็นธรรมชาติ อาจจะเห็นทางหน้าตา่างเห็นเมฆเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้ก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่ผ่าตัดแล้วก็อยู่ในห้องสีเลียมที่ไม่เห็นภาพอะไรเลยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีการพบว่าโดยนักวิจัยชาวฮอลแลนด์เขาพบว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ รอบพื้นที่สีเขียวในละสมีหนึ่งหนึ่งกิโลเมตรคนที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งกิโเมตรรอบพื้นที่สีเขียวเช่นสวนสาธารณะน ใ, นใหญ่เลลๆเนี่ยโรคไร้ลายนี่ที่มันเกิดกับคนปัจจุบันเนี่ยหลายโรคเนี่ยจะเกิดกับเข้าน้อยเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานไมเกรนโรคขอคอัืเโรคซึมเศร้า ไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้สวนสาธรารณะรัศมีหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยสุขภาพก็จะดีขึ้นแต่คุณข้าธรรมชาติไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะคุณค้าธรรมชาติมีผลต่อจิดใจด้วยเมื่อใดที่เรารู้สึกว้าวุ่นรุ่มร้อนถ้าเราได้ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เราจะรู้สึกสงบความว้าวุ่นก็จะลดลงธรรมชาติไม่ได้เพียงแค่สถานที่ที่ทำให้เราตื่นตาตื่นใจนะกับความแปลกประาดของหรือความสวยงามของวิวททัศน์แต่มันช่วยทำให้จิตใจเราคืนสู่ความเป็นปกติได้เร็วขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นะเนี่ยนก็มี โครงการไ่เชื่อปากบางบคนที่เกิโรคซึมเศร้ารู้ตัวที่เครียดแล้วนะมีโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่า post-traumatic stress disorder เป็นโรคเครียดที่เกิดจากการที่เจอเหตุการณ์ร้ายร้าอุบัติเหตุอาจจะผ่านจากสงครามหรือว่าผ่านการถูกทำร้ายและรอดตายพวกนี้ก็จะมีอาการเครียดมากน้อนไม่หลับแต่ว่าเพียงแค่ได้ไปทำกิจกรรมในป่าเล่นโยคะวาดรูป หรือว่าได้ชื่นชมธรรมชาติสามสี่วันเนี่ยก็จะตื้นตัวดีขึ้นป่ามันบำบัดจิตใจบำบัดความเครียดผู้คนได้และที่จริงแล้วเนี่ยสามารถจะเป็นที่ที่นำความสงบให้แก่จิตใจพระสงฆ์สายพุทธการเนี่ยนะท้าเลือกที่จะไปบำเพ็ญเกณฑ์ในป่าเหตุผลนึงก็เพราะว่าป่าเนี่ยให้ความสงบ แล่อชื่อว่าความสมบนั่นคือความสุขพระเทราท่า น, นชื่อพระปูตั า, าเทราทนะ่านกล่าวขึ้นชนธรรมชาตนะิแล้วก็ปรากฏในพระไตรปิฎกท่านกล่าวเป็นคาถาว่าเนี่ยนะยามริมฝั่งยานาอยู่ริมฝังม่งทางสมนะวลดอกไม้ป่านาดาพันธะ์นะนานบางสักข้าง ที่สูนรนัําบำเพ็ญฌานภาวลาเมื่อนั้นจะรู้ว่าไม่มีสุขใดยิ่งไปกว่า น, นี้ความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยนะเราสามารถจะพบได้ในปา่าและเพระเหตุ น, นี้แหละนะพระเทราทั้งหลายนะท่านจึงนิยมที่จะไปบำเพ็ญ เ, เพียรในปา่าตั้งแต่สมัยพุทธกาล ภาวไม่เพียงแต่ให้ความสงบนะแต่ว่ายังสามารถจะทำให้จิตใจเกิดความสวา่างทำให้เกิดปัญญาที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์หรือการขาจัดอวิชชาได้พระเถระอีกทั้นหนึ่งนะท่านในกล่าวเป็นคาถานะเป็นคาถาที่ไทเราะยามสายลมเย็นลิวอ่อน เปลี่ยนกฎอุดมขจรทั่วทุกทิศฉันตั้งจิตสงบนัดยอดฐาน <c oughs> เพื่อจ ะ, ะจัดอวิชชาออกไปจากจิตใจเราไม่ได้ไปเข้าไปในป่าเพื่อเที่ยวเพื่อชื่นชมสิ่งสวยงามแต่เราไปเพื่อจุองวัตหมายที่ลึกซึ้งไปกว่า น, นั้น ไม้ใช่เพื่อความสงบในจิตใจเท่า น, นั้นแต่เพื่อให้ความสงบนั่นเองเนี่ยก่อให้เกิดความสวา่างตจนเกิดปัญญาเห็นความจริงชนิดที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นที่ท่านบรรลุธรรมขณะที่บำเป็นเพียรตางอาศัยความสงบ สงหของธรรมชาติเปิดใจใหเห็นสัตว์จะทำความจริงแม้กระทํางพระพุตโธองเองเนี่ยพระองค์ก็ได้รับอนิสงส์จากป่าอย่างสำคัญพวกเราชาวพุทธนี่ก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้านะประสูตรใต่ายผลไม้ผลสาระ ตัดสรุตใยชนโพและปรินิพานตนาย้นไม้ต้นรังแต่น้อยคนเนี่ยจะตระหนักว่าต้นไม้เนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่พระองค์ตัดสรุทเท่านั้นแต่จะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้พระองค์ได้เห็นธรรมอย่างแจ่มแจ้งเมืตอนที่พระองค์เนี่ยได้เสด็จไป เพื่อแสดงหาคุณทรรมต้ทุกเงิ น, ง น, น, นนะหลังจากที่ท่านเลิกการมาเป็นทุกข์กระตือรือร้นพวกผมก็พยายามสวงหาแนวทางใหม่แล้วก็สเสด็จไปแถวตําบนอุรุเวลาเจนานิคมใกล้กลๆแม่กาญจน์ชาราและพรผมก็สังเกตเห็นสถานที่นั้นว่าเป็นที่ร่วมรื่นท่านใช้ทวารมณีนนสถานท่านตัดว่าท่านตัด กับภาษาวุงในรวลับภายหลังว่าเมื่อท่านไปถึงนั่นเนี่สิ่งที่ท่านเห็นก็คือว่าสถานที่นี้เป็นที่โรวันดีหนอมีภัยส่วนร่วมรื่นน่าชื่นบานมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสยเย็นน่าชื่นใจชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียก โคจรคามหมายถึงโคจรคามอีที่ตินบายนะโคจรคามนะก็มีโดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบำเป็ญเพียนสําหรับคนรวยผู้มีความเพียนและพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะนั่งตรงนั้นแ่นะพวกแต่ว่าที่นี่แหละ เหมาะที่จะนั่งบาเพ็ญภาวนาแล้วคืนนั้นหลังจากที่บาเพ็ญภาวนาติดต่อกันสามชั่วยามในยามสุดท้ายโรกราก็ตัดสรุเห็นแจ้งในพระสัมมาสัมพุทธิยามุด้ากความทุกข์ และนำผนไทยความดับทุกนั้นเนี่ยมาประกาศจนก ท, ทั้งถึงพวกเราในทุกวันนี้ต้นไม้ น, นี่ยนะซึ่งต้นโพเป็นตัวแทนเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่พระองค์ปรัสรู้เท่านั้นแต่มันสะแต่ยังช่วยเอื้อให้เกิดการเห็นแจ้งในพระสัมมาสัมพุทธิญาณเ้ย เลวลาเราพูดถึงการตัดสร้อยบูชาเลยเพราะอีกสองวันเป็นวันพิสาขาบูชานอกจากความเพีรพของพระองค์แล้วนอกจากบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็งอย่างยิ่งยวดมาช้านานแล้วซึ่สงที่สำคัญ ย, ยิ่งก็คือต้นไม้และธรรมชาติอารมณ์รื่น ถ้าหากปราศจากสถานที่เหล่านั้นการตัดสรุปของพระองค์นะก็อาจจะเนื่อนชา้าด้วยเหตุนี้เนี่ย ส, ม, สมเด็จพระพุทภโรสาจากของปัจจุบันเนี่ยจึงกล่าวว่าถิ่นรมณีเนี่ยคือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนาจิ่นรมณีเนี่ยก็มาถึงสถานที่ที่มีต้นไม้มีแม่น้ำ นะมีภัยส่วนร่มรื่นมีความสงบมีความสงบเราเป็นที่บุญคุณสถานที่เหล่านี้สถานที่ทำรนองนี้หรือว่าเราเป็นที่บุญคุณลมวันนีสถานนะที่ทําำให้เกิดมีพระ菩萨ศาสนาขึ้นมาฉั้นชาวผูดเราเป็นที่บุญคุณนะธรรมชาตินะพระองค์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพงธรรมชาติไม่เกีงแต่ มีความผูกไปกับชีวิตของพระเจ้าตั้งแต่ประสูติเท่านั้นแต่ว่ายังมีความสองคัญนะมีผุ้อุปรการต่อการตัดสิอของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะาชาพุทธเเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมีคุณค่ามากที่เราควรจะรักษาเอาไว้เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ที่อาศัยธรรมชาติอาศรราัยป่า แล้วก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราเองในการบำเป็นเทียรจะเพื่อความสมบชั่วคราวหรือเพื่อการค้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงก็ได้ทั้งสิ่ง <c oughs> ด้วยเหตุ น, นี้เนี่ยในแง่งในด้านหนึ่งะสมตั้งแต่สายพุทการท่านตอนนิยมไปบำเพ็ญเพียรในป่าในกส่วนหนึ่งท่านก็ถือเป็นหน้าที่ ในการทำรักป่าเมื่อประสงค์เนี่ยได้เริ่มอยู่กันเป็นถิ่นเป็นที่นะคือมีวัดก็จะต้องทาให้วัดเนี่ยเป็นอารามให้ได้อารามนี่แปลว่าไม่ได้แปลว่าวัดอารามแต่ว่าที่สมบร่ ม, มรื่นร่มรื่นเพราะมีป่ามีต้นไม้เ่าะสมัยก่อนเนี่ยจะมีต้นไม้เนี่ยร่มรื่นแล้วก็พระท่านก็จะถือว่าเป็นหน้าที่ในการรักษา ต้นไม้หลังนั้นเนี่ยไม่ให้ใครมาเปลี่ยนเปลียนมีเรื่องเล่าในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยว่ากราชาทูว่าซึ่งตอนนั้นชั่อ ว, ว่าสมรรัยเนี่ยอยู่อยู่นอกเมืองแต่ก็ร่งคลื่นไปด้วยต้นไม้คราวที่งสมเด็จพระพุทเธื่อ น, านาาราชภาลัยรัชกาลที่สองเนี่ยท่านเป็นศิษย์ของเจ้าว่าก็จะไปทอดสติเป็นพระราชาพิทีใหญ่ ก่อนวันงานเนี่ยมหารล็กก็จะมาดูสถานที่เพื่อเห็นต้นไม้เนี่ยขึ้นนะจนกระทั่งขวางสัพพทนสัพพทนเนี่ยะนะ เ, เ, เวลาจะเดินผ่านเไปเพื่อสิดต้นไม้ติดถิ่มไม้ก็จะตัดขอตัดแต่ท่านเจ้าวันไม่ยอมบอกว่าท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าถ้าไม่ตัดเนี่ยนะ จ, จะเสด็จพระราชดำเนินจะลำบาก หลวพอ่อก็ตอบว่าแต่เสด็จก็ตามไม่เสด็จก็ตามห้ามตัดนะตอความทราบถึนในวัชการที่สองนะครับพ่อก็เลยบอกว่าแตนะ่ตัดต้นไม้กี่ไม้ก็ให้ไปอย่างนั้นเนมะืถึงสมัยที่หลวงพอ่อชานะที่สุภะโตตอนที่สร้างวัดใหม่ๆนะครก็ ก็มีต้นไม้เยอะมากปัญหาที่ตามมาคือว่าพระชีจำนวนไม่น้อยเป็นมาเรียเจ้าพนักงานสาธารณาสุขก็บอกว่าอย่างจะต้องตัดต้นไม้นะมาะเรียรจะได้ลดลงนะผมก็ชา้ท่านหนะ้ามบอกว่าคนตายก็ตายไปนะขอให้รักษาป่าไว้พระนักชีตายก็ตายไปแล้วนะแต่ว่ารักษาป่าไว้อีกกว่า น, นี่คือคือจะเรียกว่าเป็นเป็นสปิรินะหรือว่าเป็นเป็นความสำนึกนะของพระตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนปัจจุบันท่านเห็นความสว่างของป่ามากความสำคัญนะเนี่ยันมีไม่ใช่ข้อในทางวัตถุไม่ใช่เฉพาะในแง่ออนนของปัจจัยสี่แต่เรืมีความสำคัญแนมะ้กรทั่งในทางธรรมะมีป่า ก็ทาให้ทำมากเนี่ยสามารถจะขั้งมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาป่าก็เปรี่ยบได้กับการรักษาธรรมวุธถศาสนาเนี่ยถือว่าป่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยเป็นมิตรนะนอกจากเป็นผู้มีก็ควรได้ยังสืมิตรด้วยเสรนีพาสิทธ์นะเอาไว้ตัดไว้ว่าบุคคลนั่งก็ตามนอนก็ตาม ใต้ต้นไม้ใดไม่ควรริดไม่ควรตัดกิ่ต้นไม้นั้นเพราะผู้กบฏสลายนี้เป็นคนเลสามนะหมายความว่าตัดต้นไม้ที่ได้ขึ้นพาสายเนี่ยถือว่าเป็นคนเลสามเลยนะเพราะว่าเป็นการบกบตสลายนี้นะอันนี้เป็นเป็นสำนึกนะของชาวพุทธ น, นะว่าต้นไม้มีความสําคัญป่ามีคุณค่ามาก อ็ให้อะไรต่ออะไรมากมายกับมนุษย์ทั้งในทางร่างกายใจการทำลายป่าก็คือการทำร้ายมิตการทำร้ายต้นไม้นะก็คือการทำร้ายทั้งมิตและทาร้ายตัวเองด้วยมีชาดกเรื่องนึงนะพูดถึงต้นสายต้นไม้อย่าง แล้ต้นสายนี้ก็ให้ความรสมบูรณ์กับผู้คนแล้ววันนี้ก็มีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยมาเห็นต้นไม้นะั้นแล้วก็ตัดต้นไม้นะั้นต้นไม้นั้นเนี่ยพูดได้นะเ้าก็บอกว่านี่ยเราไม่ใช่ตัวไม้พูดได้แต่มีมีพระปณิสัต์ท่านพูดแล้วว่ากิ่งไม้ด้านตอนออกเนี่ยให้น้ําอาบ กีไม้ด้านที่ใต้เนี่ยให้ข้าวเวน้ำดื่มกีไม้ด้านที่ต้นตกนะให้เหล่านารีก็คือให้ความสุขกีไม้ด้านที่เหนือให้ทรัพย์สมบัติที่มีค่าต้นไซต้นนี้ทําผิดอะไรท่านจึนงทําลายต้นไม้คนระับนจะยื่สะท้อนถึงแนวที่ทางเพื่อศาสตลายเลยวนะ่าต้นไซนี้ก็คือตัวแานธรรมชาตินะ ในธรรมชาตินี้ให้ทุกอย่างกับเราการทำลายธรรมชาตินะก็คือการทําลายทําำลายพวกมิตรคุณพ่อค้ากลุมนี้ไปตัดต้นไทรนะพ่อแบบประโยชน์ชั่วทั่วผู้ช่วยอย่างไม่ต่างจากคนสมัยนี้นะที่ทําลายป่าทําลายธรรมชาติเพื่อหวังเม็ดเงินนะแต่สุดท้ายชีวิตตามมาคือความวิบัติในชาติลวเรื่องนี้เนี่ยนะ พอตัดต้นสายเสร็จก็เกิดโกลาภเกิดภัยธรรมชาติอย่างแรงนะพญานาคก็มาอาละวาดกลุ่มพ่อค้านี้ก็ตายนะส่วนคนคนอยู่ที่เหลือได้อยู่รอดอันนี้มันก็เป็นทําำนายนะว่าเมื่อคนเราเนี่ยไม่สำนึกในคุณคธรรมชาติไม่สำนึกในคุณค่าของรรต้ไ น, น, น, งนไม้เนี่ยความหายาะก็จะเกิดขึ้นกับพวกเรา มาถึงวันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะที่เราจะมาช่วยเราตรงกราลังกันเพื่อรักษาป่าแต่รักษาป่าก็ไม่พอใชแล้วเราต้องช่วยกันปลูกป่าลูกต้นไม้กันให้มากขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนอู่คุณธรรมชาติและเพื่อเป็นการรักษาธรรมะย่าไม่ต้องวูดว่าเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์พวกเราเพราะถ้าไม่มีป่าไ ม, มีธรรมชาติ ความพญานาค ก, ก็มาเกิดขึ้นกับพวกเราดัางที่แสดงไปทุกวันนี้ใน ท, งทางเทวศาสนาถือว่าการปลูกฝ่าการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นบุญหลายคนคิดว่านี่เป็นความคิดใหม่ที่จริเป็นความคิดเก่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ตั้งแต่ทุกวันนี้เนี่ยความเข้าใจเรื่องบุญของเราเนี่ยมันแคบลงใจเป็นแค่การ ถวายทานกับพระหรือถวายสังัทานสร้างบุตสร้างวิหารคนสมัยก่อนนี่เขามีความรู้กว้างแม่เขาจะเรียนน้อยแต่เขารู้ว่าการทําบุญแต่พุทธศาสนาเนี่ยทำได้เยอะไม่ใช้เงินก็ได้แม่ก็ยังไปต้องทํากับพระหรือทำกับปัตก็ได้ในเรื่องนี้ก็มีพระมีพุทธภาสิกรรับองค์ต่งางวันเนี่ยผู้ใดสร้างสวนปูกป่าสร้างสะ พ, พานจัดที่บริการน้ําดื่มขุดบ่อน้ํา หรือว่าให้ที่พักอาศัยบุญของผู้นั้นย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเวลาการสร้างสวนปูก ป, ป่าหรือการบรรเลงสาธารณประโยชน์เป็นการทำาบุ ญ, ญอย่างนึ่เพราะบุญในพุสสรราาทธศาสนาหรืนการทำความดีไม่ว่าคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นบุญทั้งสิ้นและบุญชนิดนี้เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นมากสาหรับ โรคทุกวันนี้เพราะว่าเราทําลายธรรมชาติเราทํำลายป่ากันอย่า ง, ง, งโมโภค ร, รานขนาดใหญ่ยังไม่สายเกินไปนะที่เราจะดูตรงกาลังกันเพื่อมาทำบุญชนิดนี้ให้แพร่กระจายให้กว้างขวางออกไปจะ ไ, รระไม่ถึงการสร้างป่าเพราะไม่คิดการสร้างป่าแล้วก็ดูว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เราลองนึกถึงการปลูกต้นไม้ทีละต้นทีละต้นทีละต้น และต้นไม้ที่เราปลูกนั่นแหละนสุก็จะรวมเป็นป่าเลยเพระถ้ารวมกันปลูกกันหลายคนแล้วก็ไม่ต้องปลูกที่ไกลๆนะปลูกที่ไกลๆก็นะปลูกที่บ้านของตนก็ได้หลายคนเนี่ยอยากปลูกที่ไกลๆแต่ว่าเลิเลยนะการปลูกต้นไม้ในบ้านของตนหรือบางทีหนักขานั้นแอนซาวาร์ลัคเคยเล่าว่ามีเพื่อนคนนึ่งกลับมาจากการปลูกป่านะ เขาโน่นเขาภาคเหนือชิ้นใหม่ไปกลๆหน้าตาดูยิ่งแยนะ่แจ่มใสนะเราก็เาปุ๋ยป่านให้มันดีนะมันช่วยบำรุงดมีมันช่วยทําให้โรคร้อนน้อยลงนะมันช่วยทําให้เพิ่มนะความหลากหลายทางชีวภาพเธอกระจรในประโยชน์การปุ๋ยป่าแล้วก็พูดถึงดาบวิชัยด้วยนะว่าเนเธอได้แรงบันดาลใจจากดาบวิชัย เธอพูดด้วยความญญาายิ้มันแจ่มใสเบิกบานมากแอนเสารับก็เลยพูดว่านเนี่ยที่บ้านเธอเนี่ยนะคงมีต้นไม้เยอะเลยสิท่าพอผูดตรงนี้แลนะเธอทำหน้าเซ็งเลยแล้วก็บอกโอ๊ยกว่าไปไม้ไม่ไหวเลยไม้ต้นใบม้ามันร่วงเยอ ะ, ะเหลือเกินตัดต้นไม้ไปเรียบร้อยหมดแล้วไปปลูกไปปลูกไม้นปลูก ป, ป่าที่ไกลๆนะแต่นนบ้านเธอตัด สาข้ออะไรนะเพราะใบไม้มันเยอะเดี๋ยวเราเราเป็นผู้ต้นไม้ที่ไกลเนี่ยนะเราก็เห็นแต่ข้อดีแล้วเราไม่มีภาระตอนไม่มีภาระที่ต้องดูแลปลูกเสร็จแล้วเราก็กลับแต่ต้นไม้ในบ้านเราเนี่ยนะข้อดีก็มีเยอะนะแต่ว่ามันก็มีภาระอยู่บ้างนะเช่นใบไม้ร่วงก็ต้องกวาด แต่ถ้าเราคิดแต่การแต่ถ้าเราคิดแต่ว่ามองว่านี่คือภาระนะไอการปลูกป่ามันจะไม่มีทางสำเร็จเราจะปลูกป่านีที่กไกลเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าทนมโทนานกันแต่ว่าการปลูกต้นไม้ในที่ของเราในบ้านของเราและปลูกดเดยอะไม่พอดูแลด้วยอันนี้เป็นบุญมากเลยนะ มันเป็นบุญอย่างไรมันเป็นบุญตรงทุกวันหนึ่งมันก่อให้เกิดเกลือตะส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ไหนก็ตามมันเป็นเกลือตะส่วนรวมมันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนดึงฝนดึงความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นที่อาศัยของสัตว์ประสาทมากมายก็รอดสา ก, กนกข้างข่าวและเป็นประโยชน์ตนด้วยนะก็คือมันทําให้จิตใจเราอ่อนโยน มันทำให้เราเนี่ยนะมีความรุ่มนวยในจิตใจทุกครั้งที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเราตั้งใจถูกนะมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่เราเอาลงดินที่จะเจริญรากงามต้นไม้ในใจเก็จะเจริญด้วยเราจะกลายเนคนที่อ่อนโยนรุ่มนวนเป็นคนมีเมตตาเพราะต้นไม้เนี่ยจะช่วยกล่อมใจของเรา ยิ่งถ้าเรามีความสนใจในตัวธรรมชาติใ น, นตัวต้นไม้เราช่วยดูแลแม้ว่าเขาจะทิ้งใบเยอะนะเลยพอนในช่วงหน้าแล้งเราไม่ถึงเพื่อนภาระเรากลับมองว่าเขากำลังสอนทําให้กับเรานะว่าต้นไม้นี่เขากําลังทิ้งใบเพื่อมาเป็นปุ๋ยคืนสู่ธรรมชาติเพราะไม่เคยงแต่จะเอาเอาปุ๋ยไปเลี้ยงตัวเองให้เติบใหญ่ แต่ถึงการสาขาเขาไม่เป็นเพียงแค่ผู้รับแต่ก็เป็นผู้ให้เพื่ได้รับปุ๋ยจากดินก็คือปุ๋ยกลับสู่ดินในรูปของใบไม้แถ้าเราลองแบบม อ, มองแบบนี้บ้างนะเราจะได้ธรรมะจา ก, จากต้นไม้เราจะได้เห็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งจากต้นไม้ได้จากธรรมชาติเหมือนที่พระอรหันต์สาวกทั้งหลายท่าได้ประสบ หลปูมันเคยกล่าวว่าธรรมะนั้นอยู่ที่ยงมย่าสาหรับคนที่มีปัญญาท่านก็ใช้ชีวิตในการใจอยู่ในป่าไม่ได้เรียนอะไรมากแต่ว่าป่าธรรมชาติก็สอนธรรมะอัลึกซึ้งให้กับท่านได้เราเองก็เช่นเดียวกันนะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ธรรมชาติในรู้สัจธรรมจากธรรมชาติแล้วพราะในการที่เราจะดูแลต้นไม้เนี่ย มันไม่ใช่เป็นภารักของเราไม่ควรจะหมอเป็นภารักก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะให้ช่วยกัน ร, รักษาป่าให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ตามกําลังของเราหรือว่าเต็มกําลังของเราแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ที่เราปลูกให้ยืนอันนี้เป็นการทำบุญเล็กๆน้อยที่จะก่อประโยชน์กับส่วนรวนแล้วมันจะกรองกราจิตใจเราให้มุ่มมนวน จะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยจงจิตใจเราให้มีความสุขไม่่าเชื่อเพียงแค่การดูแลและการลดน้าต้นไม้เนี่ยมันทําให้ชีวิตคนยืนจาวขึ้นนะคือการทาวิจัยกับคนแก่คนแใจบ้านพักชราซึ่งหงอมเต็มทีแนละ้วกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมีต้นไม้ในห้องแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่ของบ้านพักคนชรารดน้ําให้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวลดน้าเอง ปรากฏว่ากลุ่มที่สองที่ลดน้ำเองเนี่ยโดยเฉลี่ยมีชีดดียาวกลุ่มแรกหนึ่งปีครึ่งนะไม่ได้เชื่อว่าเพีงแค่ลดน้ํามันไม่ใช่ยืนยาวนะมันให้อะไรบางอย่างสับสนใจคนนะซึ่งมันให้อะไรกับเราอาตมาอยากให้พวกเราไปหาคำตอบเองนะจากการเลีปลูกดูแลแล้วก็ลดน้ําอาตมาเชื่อเราพอสมควรนะ สำหรับการบรรยายและก็ขอ้อทติจะ่ถึงจัาหนี้และขอมรนาทุกท่นนะที่ได้มาร่วมกันเพื่อจะได้ตั้งจิตปริภาที่จาร่วมกันทำหนึ่สร้างป่านะเพื่อปุปโลกให้ดีงานและก็จะเจริญพอ